เจนทองก็นั่งครั้งละสองชั่วโมงเนี่ไปทางกระดูกกระเด็กนี่ได้วันหนึ่งนั่งไปสี่ครั้งแปดชั่วโมงนั่งได้เส้นเด็นมีปัญหาถ้าเดินนั่งก็ไม่ไหวเหมือนกันเดินมามอกเดินไปโอ้ใ oh, จวันนี้ผ ม, มาอายุยี่ปีแล้วมันเดินใหญ่เดินนำแซงหมดตลอดเลยเมื่อวานเนี่ยพอวันนี้ก็ไม่ไหวลาเลย <laughs> วันนี้ไม่ไหวแต่ตอนนี้ลบสถิติอิสาราเอลทําไว้ ออกตีสามจากวัดแก่งหวายมาถึงมานจันท์สามทุ่มเมื่อวานนี้เขาออกมาตีห้ามาถึงห้ามงเย็นน่ะเพราะชุดนี้เดินได้เร็วกว่าอีกที่คิดเดินเดินได้ไหวเดินได้ไหวเดินได้ไหวกับสุกิโตเมื่อก่สุ ก, โ ก, สกิโตเดินได้มาเจอชุดชุดนี้ไงเดินมาถึงสักสิบองค์ได้แ็แล้วแต่บรรยากาศด้วยเหมือนกันนะเมื่อวานมันก็มีฝน ไม่ร้อนนะ่าเกลบรู้ทางลัดอะไรอย่างเงี้มั้งแต่ความจริงก็มต่างเดินเรียบร้อยมากอ่ะค่อยๆไปเฮ้ยการที่ทูยังว่าอ่ะมีแรงก็ไปอย่างงี้สมัยแต่มาไปหลวงพ่อมาระวังต้องทุ ง, งใหม่ระวังต้องทุงใหม่เนี้ยทำไมาเอาเอาพอดีพอดีนะทำไมอย่างเงเพราะว่ามันมีเป้าหมายว่าเราจะไปตรงนูน้นใช่ไหมพอยังไม่ถึงมันจะต้องให้ถึงให้ได้เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้นะ ไปหน้าเรืเ่อยเรยเยแต่ทุกตรงนี้ก็เบามีครูบาอาจารย์ไปไม่ต้องรับภาระมากไปทุกตรงภัยาลมาเราไปปรกกฏโยมมาแล้วตอนเย็นเราก็เหนื่อยด้วยแต่โยมมาแล้วพายโยมทรบทสุดมนต์อีกพานั่งสมาธิอบรมธรรมะออในสุดก็พ่อมีเลขอะไรดีบ้างเปไงสรุปบทสุดท้ายว่าง เรื่อสุดท้ายก็ต้องมีเลขหน่อยหลวงพ่อยังไม่ได้ฝันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ยนะ้ hey, ขอเลขซะแล้วถ้าเช้าก็มาถวายหารกันเต็ม mm. ก็คิดว่าพระธุดงต้องมีเลข mm. เห็นเลขอะไรบ้าง mm. มันก่อนเดินทุดงค์ไปที่เดินเป็นตำรวจทางก็มีนีจังห mm. วัดเจ้าบรีเราเอ่อสถาแการก์เดินไปเดินมาหลวงพ่อเห็นเลขอะไรบ้างเงี้น่ย โอ้ยย่งมันย่งโจนอีกเนาะมันจะของสวนแล้วอะ่ะมันจะของสวนปลูกสวนยางสวนถนนนัน่นแหละช้างมาลงมากินถนนเสียไปหนึ่งตันแล้วมันก็มากินน้ําในโอ่งเลยน่ะช้างมาเลาะเลาะอยู่แถวๆนั่นแหละน่ะมีช้างตรงห้าร้อยตัวมันเลาะเละอยู่ใช้ยเขา มาว่าเออคนก็ไปลุกที่ป่าก็ปลูกผลไม้ติดกับป่าช้ามก็ออกมาดันม้าขาเลาะไปเรอยๆอยังเจ้าของทิไดไว้อีกสามวันจะไปเก็บพืชผลช้างก็เอาซาก่อนแล้วไม่ทันชา้างอีกสักสามวันจะช้างมานะ้อันนี้นก็ท่านอันดับหนึ่งด้านอายุก็ยกให้หลวงพ่อบุญอันดับหนึ่ง มีอายุระดับไหนถ้าเขกลุ่มแลมโบ่กลุ่มแลมโบ่เนี่ยมาถึงก่อนนะตั้งเชียกลุ่มแลมโบก็แลมโบ่จริงๆมีอาจารย์ต่ยมาเนี่ยกลุ่มก็เนี่ยอาจารอาร์คำรนอะไรพวกนี้ในอีกหลายองค์หลายองค์บาทอมนะกลุ<ห>่มแชมป์ชายกลุ่มกาแฟกลุ่มกาแฟก็าามาถึงว่าไง น, นนะกลุ <c ười> ่มกาแฟาแต่ประดีไม่มีกาแฟา มาถึงสิบโกงแหละแต่ธรรมะบอกไม่ต้องรีบเลยกลุ่มข้างหลังไงพักนี้เดีด๋ยป้าก่อนพักผ่อนก่อนไม่ต้องรีบไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพักผ่อนไปทําไปหนูริมสะกลุ่มชลาก็เไปนะโยมกลุ่มชลาธรรมาอยู่กลุ่มชาล า, ก ล, ช า, ลากลุ่มทับหลวงกับทับหลังทับชาลาเดียวกันน่ะทํามาหนึ่งแล้วเนี่ยยันทองสองอยู่กลุ่มนี้แหละเอี กลุ่มใจชลาครูบะเจี๊ยบบาเจี๊ยบกแกใจชลาก่อนสู้จาท้องไม่ได้ฉันารทองก็เดินเดินหัเนวเจี๊ยบง่วงนอนแล้วไปไหว้ความดันขึ้นอาจารย์ผมโลกความดันจะรยทองห้ามหยุดเจีบเดินเดินบาเจี๊ยบก็จะตายก่อนแกจะตายก่อนนี่ก็เดินมาหลายวันแล้วอ่ะอาจารย์ทองมึงเดินมาแก่งไว้เ <laughs> นี่จะไม่ไหว้แกเดินมาหลายวันหมดมาย <laughs> อยู่กลุ่มอาจารย์ทองกันเนะสร็จเลย ยังท้องไม่มีพักเลยเดื่มน้ําไปดื่มน้ําไปเลยนั่นไม่พักอ่ะไม่ไหวเละสู้ยันท้องแม่ละน้ําหนักเบายิ่งขึ้นเขาสู้ยันท้องไม่ได้ขึ้นเขาอะถ้าขึ้นเขาแกตัวเบาขึ้นเขาตัวเบาสู้คนน้ําหนักน้อยได้เปรียบคนน้ําหนักม้างๆนี่ไม่ได้ขึ้นเขาหนักตัวเองคนมีกําลังขาดีๆได้ ต้องเดินประจําใจยมปีนี้ทดสอบก่อนปีหน้าก็จะเดินต้งต้องวอร์มสักเดือนหนึ่งแหละนาต้องต้องฟิตร่างกายอยู่ไปเดินเลยต้อจะไปไม่ไปเมือน่ะลากหมดเลยมาตึงก่อนเพลิดแล้วตึงแถวๆขาโอ้ตึงยืดไม่ได้เลยยืดไม่ออกต้องไปเข้า้านหมอวังจันทร์นวดถึงสามชั่วโมงโอ้ไว่ไหวเลยเนี่ย สามชั่วโมงก็เดินไม่ได้เลยวันที่สองนวดเรนค่อยๆอยขยับได้นะปวดหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเนี้ยไม่ยืดเลยอะ่ะมันแข็งเงนะียดน่ะคอพับนี่มันแข็งนี่ขาเนี่ยนี่ยอมแพ้ขนาดไม่ได้แบกบริคารแบกแต่ตัวเองก็ยังหนักแล้วถ้าแบกบริคารเนี่ยไม่ต้องไปแล้วอนนั้นเราพับใหม่ๆก็กําลังดีนะ เขใหม่กําลังดีอายุน้นอยๆเดินได้เข mm. เป็นประสบการณ์เพราะว่าเหมือนกับเร า, เราอยู่เป็นจําที่มันก็มีอะไรมากมายไงนะแล้วก็ใช้ไปหมดละพัดุดรงนี่อะไรก็จะใช้หมดมาไปกับพเจําเปีเ๊ยก mm. กันพเจําเปียกก็กระเจิงว่านายเห็นใจเขาเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้คันนี้มีบาดมีกดใช่ไหมข้างหลังก็มีเปีกใบ เป่ทหารเนี่ยใส่พราผมไปด้วยกูยันหนาวใส่พระห่มไม้มไปผืนเดินปว่าแรกยี่สิบโลมาถามมาตรมาไอ้ท่านเอาไหมท่านเอาเนี่ยเอาไม้มไม่ไหวมปวเดินไปนลงพอเอ้ยทหารสมพระไปแล้วไงทหารสมพระไปแปกท่านก็หัราะทหารใหม่ ทุดงไปไม่รู้จักนี่เดินเดินทุดงกันมัสายสองมายสองเดินทุดงไปจากวัดประพงศ์ไปสาาักขาก็มันนกันประมาณน่ากี่สองโลอันที่สองก็เดินไปข้างกลางไท ย, ยวันหนึ่งแล้วก็ไปถึงสาาักขาการทลักษ์ไปอยู่ประชา้าตอนนั้นนะ่ะก็ประมาณสักหกสิบกิโลก็ค่อยๆเดินไปเดินไปขนาดนั้นก็ เดินภาคอีสานกัหนักนะนะชว่วงนั้นมันก็รถวิ่งก็ฝุ่นเยอะตามท้องถนนเราไปฝุ่นมากเดินไปอย่างเป็นคนทงกกางภาคกลางภาคตะวันออกเรามไม่เคยอดทนเท่าแหลกกระดูกกระดูกแคลเซียมจะไม่แข็งนะกระดูกแคลเซียมเนี่ยถ้าเป็นคนภาคอีสานเนี่ยคงกระดูกจะแข็งกว่านะเพราะแคลเซียมมันจะได้จากป่า ปาตัวเล็กๆนะไอ้พวกนี้มันจะมีแคลเซียมสูงซึ่งทางบ้านเราเห็นปาตัวเล็กไม่เคยทานกันหรอกใช่ไยมกทานพวกปาตัวเล็กๆเนี่ยพวกนี้มีแคลเซียมกระดูกจะแข็งกว่าโครงสร้างดีกว่าออกกำลังกายในสู้กม่ได้ น, นกบาดเดินกระเพกระเพกแ ล, ล, ล, ล้วมาต้องันก็ไปไหวัวเดินก่อนขา ถ้ามันกัดเลยเป็นน้ําเลยทํามาโดนวันแรกก็เป็นน้ําแล้วอะ่ะนั่นที่เราเอาเข็มบ่มแล้ยังไม่เจาะกลางทางว่าเดี๋ยวมันจะรักษาแผลยากสมวนบางทํากัดถ้าหนีบก็ลําบากต้องท้าไปนิ้วกัดทั้งทางมันเดินพลาสเตอร์เต็มหมดอ่ะ <c oughs> เอีแพงนุ hmm. ่มพอฉลาดก็ยังพอได้นะใจซูมกันพอฉลาดเนี่ะแข็งหมดแล้วอะ ปกติก็อาจจะต้องมานวดให้ธารมางวดนี้ให้หนุ่งพระบุญนวดแทนกี้ดูดินุ่งพระบุญอายุมากนวดแทนเนี่นยวนันนี้ยังไม่ได้มาหลายองค์อยู่ก็ติดทุรักกันยันสมหวังยันสมบูรณ์ยันสมเริงืงติดพอดี สมบูรณก็ดูงานที่วัดอยู่ของคนน่้แล้วแหละาพวกที่มาก็จะแข็งแรงเหมือนกันยศสมบูรน น, นบูรสำเร็จเละแต่ถ้าเดินทุกปีมาได้อยู่เนทุกปีร่างกายมันจะปรับสภาพทํามาเดินนะมาเดินหลายๆปีแล้วมาเดินหนึ่งระยะไกล ก็ดีเพราะวัดบัพจันทร์มันก็อะไรก็พร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมก็รู้สึกว่าภาพถุตุลุงบัพจันนี์มันอาจะบาบางไปหน่อยนั่นหรือว่าเป็นภาพผิวบางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อมีอะไรพร้อมสมบูรณ์มันก็มันมีพระเจ้าเนาะเจ้าพระธรรมประสงค์อะไรก็พร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์พระก็จะดูเบาบางออกไปอย่างเงี้ยกระดูผิวเข้มดีไปลมดําก่อนก่อนจะปิดท้องทั้งลมดําก่อน ใม ด, มดำซะก่อนเข้มแข็ ง, ไ, งไปอบผิวซะหน่อยก่อนแข็งแก่งขึ้นพระเจรนเดกยังไม่เคยเชื่อเลยทีแรกเบอกฮัดมากจันทร์พัะจรนเดกเดินทุดงเหรอท่านยังไม่เคยเชื่อเลยนะมันก็ได้ยินหูฝาดฝันไปหรือเปล่า ว่ามันมันผิดผิดคาดจริงๆวาันทานองนั่นใช่ไหมเนี่ยทางสัมภาษณ์ท่านหน่อยว่ออันอ้าปากค้างตองมาบอกอ่ะออแวูดงอาจารย์หนิงนะ่ากันอะไร่อาจารย์หน่งต้องต้องต้องอรหนิงวันนี้ก็เลยเดินตลอดรอบสองรอบสองรอบสองเดินรอบสองรอบแรกเดินไปละเดินรอบสองผ่านไม่ได้ เขาเลยฟ้งว่าปีไหนจะเข้าทุ่งใหญ่ในเลยสวนนะเราแล้วก็เอาหนักหน่อยแหละแต่ตรงนั้นมันไม่ต้องรีบไปตรงนั้นมันจะดงเสือต้องต้อ ง, องค่มเกมดีๆนะมันทุ่งใหญ่ในเลยสวนต้งเดินไปทางกาญจนบุรีตัดเข้าไปทางไปผู้จังหวัดต่างแล้วแหละก็จะเดินกันอยู่สมัยแต่เดิม น, นี้ก็ไม่รู้จะห้ามเดินหรือเปล่าเดินก็ไปด้านในามีพระหลงป่าตายก็นไปแล้วนะ พระจันชูเคยไปครั้นี้กบบมีกำลังดีแซงหน้าไปใช่ไหมหลงน่ะแซงไปแล้วหลงหลงอ่ะโอ้หทนตกใจก็เดินคิดถึงนุ้งผู้ชาแล้วลนัก่กว่าตายแล้วแหละเดินแบบดีเจอคนตีพึ่งหาทางออกได้อย่างงั้นตายเลยนุ้งอยู่ในป่าออกไม่ได้นะงานนาโยมทางข้าวพันเนาะ